You YouTube, Facebook, <c oughs> ไปทียออนไลน์ยานี่มีสามช่องแล้วถ่ายทอดสด Youtube, Facebook แล้วก็เล็บดัมมะออนไลน์ดอต้อมดัมมะนี่ใช้ D-H เลอใช้ทีดชด h a m m a เอเล็บดัมมะดอตคใครอยากจะฟัง ก็ฟังได้ถ้าประหยัดเพราะว่าถ้าดูสดมันก็ต้องเสียค่าเน็ตมากหน่อยเพราะกินเนื้อที่มากเดี๋ยวนี้ก็ขอประกาศให้ทราบมีช่องทางใหม่อีกช่องหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามฟังสดได้ผ่าน love d h a m m a com l o v e d h a m m a d o T c o m <Okay. S 1> อันนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ถ้าท่านมีเครื่องรับอินเทอร์เน็ตที่จำกัดก็ใช้ฟังเราก็ได้แต่ส่งข้อความไม่ได้นะทางคำถามต้องเข้ามาทาง a c e b o o k แต่เดี๋ยวถ้าในแอปพลิเคชันผมว่าจะเปิดข้อความไว้หนึ่ง ชุดเพื่อให้เขาส่งคำถามได้ครับอาจารย์แล้วก็ให้มันลิฟมาครับตอนนี้ y o u t u ู e มีกี่คนนะยี่สิบห้าี่าแล้วเป็นพ o กอะไร้ทุกสองร้อยครับอาจารย์ยังไม่ได้แชร์เลยครับยังไม่ได้ไปโพสในหน้าอื่นนะครับโพสกี่หน้ายี่สิบห้าอันเา่เดี๋ยวแชร์ต่อไปด้วย คือว่าจาก ป, าปีกันมาว่าขอขอขอขอพระคุณความเมตตาธรรมะของพระอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเขามีความรู้สึกว่เขาเลิกเล่าไม่ได้อตอนนี้เขาเริ่มหยุดได้แล้วอะค่ ะ, ะได้แล้วก็เริ่มนั่งนั่ง ส, าสามาธิบาให้มีสติแล้วสติมันจะหยุดใจได้ถ้ามีอาการก็ไม่หวังเทที่ตอมาก่ากจร อันนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วแหละเป็นครั้งแรกที่ได้เรียบกับมีอะไรขัดข้องไหมมีอะไรง่อยความสุขความทุกข์นี่มันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขานะพอมีธรรมะนี่มันรู้สึกง่ายไปหมด ไม่มีธรรมะนี่หาความสุขยังไงก็หาไม่เจอหาไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์พ อ, อมีธรรมะนี้ท่านบอกว่าหาข้างในซิอย่าหาข้างนอก อ, อย่าไปหาที่ลูกเสียงกลงิ่นรสอย่าไปหาที่ลาบยสศสรรเสริญให้เข้ามาข้างในให้หยุดความอยากทั้งหลายแล้วจะมีความสุข ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องหาหยุดหาแล้วก็จะเจอหยุดหาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเจอความสุขความสุขอยู่ในใจเราแต่เรากลับไปหาความสุขข้างนอกใจข้างนอกใจนี่มีแต่ความทุกข์เป็นสุขปลอมเป็นสุขที่คุมความทุกข์ไว้เคลือบความทุกข์ไว้ เหมือนยาเหมือนน้าตาลเคลือบยาขมเวลาอมใหม่ๆก็หวานดีออน้ําตาลมันละลายหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมใช่ไหมได้อะไรใหม่ๆนี่โอ๊ยมีความสุขกันเหลือเกินพออยู่กันไปอยู่กันไปแล้วน้ําตาลทั้งจะหายไปเลยดีความขมแบบแล้วจะโผล่ขึ้นมาแล้ว นี่หละความวิเศษของธรรมะของพระเจ้าเหมือนเส้นผมบางภูเข า, าจริงๆความหลงของเราเหมือนเส้นผมบางๆปิดตาเราทําให้เราไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเราหลอกให้เราออกไปหาความสุขข้างนอกซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้หุ้มห่อความทุกข์ไว้ เวลาได้ใหม่ๆก็มีความสุขกันแล้วไม่นานความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์เข้ามานี่หละพระคุณของพระพุทธเจ้านี่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถ ทำในสิ่งที่พระเจ้าทําได้ทําให้พวกเรานี่เห็นความจริงเห็นสัจธรรมทําให้เราเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่นี้เป็นความสุขปลอมความสุขจริงนี้อยู่ข้างในอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่อยู่หาความสุขปลอมเท่านั้น หยุดหาความสุขต่างๆจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะเจอความสุขจริงแต่มันยากเพราะเราเคยหาความสุขข้างนอกจนมันติดเป็นนิสัยพอจะต้องหยุดมันนี่มันทรมานใจเหมือนคนต้องหยุดยาเสพติด คนต้องหยุดสุราหยุดบุหรี่หยุดกาแฟหยุดเที่ยวหยุดช้อปปิง้งพวกนี้แหละพอมันได้ทำแล้วมันติดแต่มันก็ไม่เคยพบกับความสุขที่พอเป็นความสุขที่จะต้องหาอยู่มาเพิ่มเรื่อยๆได้มาปุ๊บก็หายไป จางไปเหมือนควันไฟกี่พันครั้งก็ต้องดูใหม่ความกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ต้องฟังใหม่นี่คือความสุขปลอมความสุขจริงอยู่ที่การหยุดหาความสุขปลอมหยุดหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็หยุดหาได้ ที่เรายังหาอยู่เพราะเราหยุดความอยากไม่ได้มีความอยากแล้วก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันได้แล้วก็ต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยเวลาใดที่หาไม่ได้เวลานั้นก็ทุกข์นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กัน มาลูก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลหยุดความอยากอยากเที่ยวอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่อยากดื่มกาแฟาอยากหาความสุขทางตาหูจมูก ง, ง่นงกาย อยากมีอยากเป็นอยากมีราบยศสรรเสริญอยากมีความสุขแบบไม่มีวันหมดอยากไม่ให้ราบยศสรรเสริญที่มีอยู่หมดไปเสื่อมไปความอยากเหล่านี้มันก็เลยทําให้ใจเรากังวลมีเท่าไหร่ก็ยังมีความกังวลอยู่ กลัวว่ามันจะหมดกลัวว่ามันจะจากเราไปก็เลยไม่มีความสุขทั้งๆที่มีอะไรมากมายกายกอมีราบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกเนื้องกายมีเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาได้เพิ่มมาใหม่ๆก็ดีใจก็เลยคิดว่านี่คือความสุขต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆได้สิบแล้วก็ต้องเอาร้อยได้ร้อยก็ต้องเอาพันยเวลาได้มามันดีใจ ม, มันมีความสุขใจแล้ไม่นานมันมันก็ความดีใจนั้นก็หายไปความกังวลก็ตามมา จะไม่มีวันที่จะหมดกังวลหมดห่วงแว้าเวลาเสียไปก็เสียใจถ้าหยุดหาได้หยุดความอยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรเมื่อมันไม่อยากมันก็อิ่มมันก็พอถ้ามีความอยากมันก็หิวมันก็ไม่พอแล้วหามาได้มากน้อยเท่าไรความอยากก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆงนั้นเราต้องมาหยุดความอยากกัน สิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติสมาธิปัญญาด้วยการสนับสนุนของศีลของทานศีลก็จะกั้นไม่ให้ไปทําตามความอยากเช่นศีลแปลดหรือศีลแปลดก็จะบังคับไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็จะได้มีเวลามาสร้างสติกันสตินี้เรามีน้อยมากหยุดได้มากแต่ไม่มากสติของแต่ละคนก็แล้ว แ, แต่บางคนนี้หยุดทำบาปยังหยุดไม่ได้สีหน้าข้อนี้ยังหยุดไม่ได้ถ้าหยุด ห้าข้อไม่ได้จะไปะหยุดแปดข้อได้ยังไงถ้าหยุดแปดข้อไม่ได้จะไปะหยุดความคิดไม่ได้ความคิดนี้เป็นตัวที่สั่งให้ไปทำผิดต่างๆทำผิดศีล ต, ต่างๆเนัเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างสติให้รักษาศีลห้าให้ได้ก่อน รักษาสีหน้าได้แล้วก็สร้างสติขึ้นมาให้รักษาสีน์แปรักษาสีนแปได้ก็จะมีสติที่จะมาบังคับให้เดินพุโทโธพุโทโธได้ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เนี่แหละเราต้องพัฒนาสติขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีธรรมอะไรที่จะสำคัญเท่ากับสติ สตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงท่านทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าสติความยิ่งใหญ่ของสติเหมือนเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดได้อันนี้หมายถึงความสำคัญของสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้ว ทมอย่างอื่นจะเกิดขึ้นไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นเกิดไม่ได้ต้องอาศัยสติสตินี่เป็นเหมือนกุญแจรถยนต์ถ้ากุญแจหายนี่ไปไหนไม่ได้จะเปิดประตูรถก็เปิดไม่ได้ทุบกระจกเข้าไปเปิดก็สตาร์ทไม่ได้ สตาร์ทรถไม่ได้รถก็วิ่งไปไหนไม่ได้จิตก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่จะไปนิพพานนี่ต้องมีกุญแจสตาร์ทรถยนต์มีกุญแจสตาร์ทจิตถ้ามีกุญแจแล้วมันก็จะทําให้จิตเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบจิตก็จะมีพลังที่จะ จเจริญปัญญาได้ที่จะทำให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังไปหลงคิดว่าเป็นความสุขว่าเป็นความทุกข์จะเห็นว่าราบยศสรรเสริมรูปเสียงกิก่นรสพลตภะบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกพ่อแม่เที่ยงแท้แน่นอนอนิจจัง ทุกข้อไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็จากเราไปถ้าเป็นของเรานี่มันต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดอันนี้คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสมาธิเรามีสมาธิเราจะได้มองความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบมองกัน เช่นมองความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนที่เรารักก็ดีเราไม่ชอบมองไม่ชอบคิดถึงความตายกันพอเราไม่คิดเราก็เลยลืมพอลืมก็เลยคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆพอวันใดไปเจอความจริงเข้าก็ตกใจเฮ้ยฉันจะตายเลยเนี่ย ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเสร็จแล้วรักษาไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายแล้วเตรียมตัวเตรียมใจได้แล้วอตอนนั้นใจหายวูบไปเลยความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรนี้หายไปหมดไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทำอะไร ไม่มีความสุขเหลืออยู่เลยเหลือแต่ความทุกข์นี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้คอยเตือนใจสอนใจไม่ได้พิจารณาความตายกันหลังที่พระเจ้าทรงสอนพระอนุ์ว่าอนุนเธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเธอถึงไม่ประมาทถ้าเธอประมาทแล้วเดี๋ยวเธอจะ เธอจะพลาดเวลาเจอความตายนี่เธอจะทุกข์มากแต่ถ้าเธอพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลานี้เธอจะไม่ทุกข์กับความตายเธอจะเห็นว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับผ้าทิตศขึ้นาาตตนะ้าทิตย์ตกเราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเดือดร้อนกับการตกของผ้าทิตย์เลยเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าพระทิศตกเราก็ยังอยู่ได้ฉันใดร่างกายตายเราก็ยังอยู่ได้แต่เราไม่รู้เราคิดว่าร่างกายตายแล้วเราจะตายไปกับร่างกายด้วยเราจึงไม่กล้าคิดถึงความตายกันนี่คื อ, อสิ่งที่จะเกิดตามมาถ้ามีสติถ้าไม่มีสตินี้ใจจะไม่สงบ ใจจะไม่มีอุเบกขาใจจะถูกความโลภความโกรธความหลงหุ้มห่อจิตใจทำให้ไม่ชอบคิดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครชอบคิดว่าเราจะต้องเสียเงินทองที่เรามีอยู่นี้มีแต่ชอบคิดว่าเราจะหาเงินทองเพิ่มได้มากขึ้นอย่างไรจะไม่เคยคิดว่า เงินทองที่เรามีอยู่นี้ที่เราหามมาได้ต่อไปนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปจากเราไปไม่ชอบคิดกันคิดแต่ว่าจะได้มากๆแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ตายเราไม่มีวันตายเพราะเราไม่เคยคิดถึงความตายกันนี่แนะอานาจของ ความโลภความโกรธความหลงเวลามันครอบงําจิตใจมันจะทําให้เราไม่คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจึงต้องทําใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงมันก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี้ความโลภความโกรธความหลงอย่างมีกําลังไม่มากหรือมีน้อย มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนคนที่ถูกฉีดยาสลบเนี่ยเวลานทิ์ของยาหมดนี่มันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาการเข้าสมาธิก็เหมือนกับเป็นการฉีดยาสลบให้กับความโลภความโกรธความหลงกับความอยากต่างๆพอออกมาใหม่ๆมันก็ยังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากตอนนั้น เราอยากจะเจริญปัญญาก็จะเจริญได้อย่างสบายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างเป็นทุกเวลามันจากเราไปพอคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็จะได้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมา พอคิดไปได้สร้างระยะหนึ่งแล้วกําลังของความโลภโกรธหนงมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้เราไม่อยากคิดแล้วพอคิดแล้วรู้สึกไม่สบายใจคิดถึงความตายแล้วรู้สึกว่ามันทําให้ใจเศร้าซ้อยหัวเหงาแสดงว่าตอนนั้นจเจริญปัญญาต่อไปไม่ได้แนละ้วตอนนั้นก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิไปฉีดยาสลบทใหม่ เมืนเวลาที่เขามีการผ่าตัดคนไข้นี่เขาจะมีหมอยาสลบคอยเฝ้าดูคนไข้ดูว่าเริ่มรู้สึกตัวหรือยังถ้าเริ่มรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ต้องเติมยาเข้าไปจะได้สลบต่อไปไม่อยางนเดี๋ยวมันจะมาดิน้นเวลาหมอผ่าตัดนี้จะดิ้นเพราะมันเจ็บแล้วหมอก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้ฉันใดฉันนั่น ใจก็เหมือนร่างกายที่ต้องการยาสลบเพราะเราต้องการผ่าตัดกิเลสผ่าตัดความหลงตอนนี้ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตาเป็นของที่ถาวรเท่งแท้แน่นอนเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของของเราเราต้องการผ่าตัวนี้ออกไป ด้วยการเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาพาเข้ามาทำลายดันการให้ยาสลบารจิตก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องออกจากสมาธิมานั่งก็พิจารณาไประยะหนึ่งพอถึงเกิดความโลภอยากจะกินกาแฟอยากจะกินขนมแล้วแสดงว่าสมาธิหมดกำลังแล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ ทำใจให้สงบใหม่ใจสงบแล้วออกมาก็ความอยากกินขนมอยากจะดื่มกาแฟก็หายไปก็กลับมาพิจารณาทางปัญญาต่อพิจารณาว่าขนมนี่เป็นทุกข์กาแฟนี่เป็นทุกข์เพราะถ้ากินแล้วมันติดเวลาไม่ได้กินแล้วมันจะทุกข์พิจารณาอย่างนี้ไปต่อไปก็จะได้ไม่ติดกาแฟไม่ติดขนม ไม่ติดรูปไม่ติดเสียงไม่ติดอะไรต่างๆนี่คือปัญญามีไว้เพื่อให้เราตัดความติดอุปทานติดในรูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากความอยากกับอุปทานมันก็ไปด้วยกันถ้ามันติดแล้วมันก็อยากนะถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่อยากคนที่ไม่ติดสุรานี่ไม่อยากดื่มสุรา คนที่ติดสุลานี่อยากดื่มสุลาคนที่ติดกาแฟาก็อยากดื่มกาแฟเหระนัต้องใช้ไตลักษณิจังทุกขังอนัตตามาแก้ความหลงที่ไปคิดว่าเป็นความสุขไปคิดว่าการดื่มกาแฟการกินขนมนี่เป็นความสุขแต่ไม่มองเวลาที่มันไม่ได้กินว่ามันเป็นอย่างไร เวลากาแฟหมดเนี่ยไม่มีกินเดี๋ยวดีไม่ดีต้องไปเคาะประตูข้างๆนี่มีกาแฟไหมลืมไปออกไปข้างนอกวันนี้ลืมซื้อกาแฟขอยืมสักถ้วย <c oughs> คนติดบุหรีก็แบบเดียวกันพอบุหรี่หมดนี่เดินพร่าลเลยเคาะประตูถามคนนั้นคนนี้มีบุหรีม่มา้งไหม พ อ, อ, อยืมนงินเดียวมาคืนให้เนี่ยนั่คือความทุกข์แล้วอยู่ไม่เป็นสุขก็สแสดงว่าทุกข์แล้อยู่เฉยๆไม่ได้ก็สแสดงว่าทุกข์แล้วเนี่ยมันติดไปหมดยิ่งติดเงินยิ่งแย่ใหญ่ลเลยพอเงินหมดเนี่ยต้องไปเดือนร้อนชาวบ้านก็าแล้วยืมเงินคนนั้นยืมเงินคนนี้ก็แล้วแล้วแทนที่จะเป็นคนน่ารักเลยกันคนน่ารังเกียจไป ไม่มีใครก็อยากจะให้คนมายืมเงินเ ร, เราเราหรอกมีแต่คนก็ชอบให้เราเงินมาให้เขามากกว่าถ้าเราไปเข้าประตูเรายื่นซองให้เขาบอกพี่วันเกิดของผมเขาเขาทําบุญหน่อยเขาก็จะยิย้มกันทุกคนอย่าไปติดให้คิดว่ามันจะต้องมีวันที่เราจะไม่มีต้องไม่มีมัน แล้วแบบนั้นมันอย่างน้อยก็ต้องทําให้เราต้องไปหามาใหม่อ๋อกาแฟกวดนี้หมดแล้วก็ต่อไปแล้วขี้เกียจไปไงก็ต้องไปเดี๋ยวต้องออกไปก็างนอกไปซื้อกาแฟมาใหม่ถ้าเงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่ทํางานเนี่ปัญหาเหล่านี้ไม่มีถ้าใจสงบถ้าใจมีสมาธิมีปัญญาตัดความอยากได้ ไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความสุขกับความว่างกับความไม่มีนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการมีความสุขกับการที่ไม่มีอะไรใครได้ถึงจุดนั้นแล้วสบายไม่ต้องไปดิ้นรน หามามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีวันพอตายไปก็กลับมาเกิดหากลับมาเกิดเพื่อมาหาใหม่มของพวกนี้มีใครต้องสอนเราไหมพ่อแม่ต้องสอนไหมลูกไปหารูกเสียงกลิ่นรสหนะ้าลูกไปหารากยศสรรเสริญ น, นะไม่ต้องสอนของพวกนี้มีแต่ต้องคอยเบรกว่าเวลาหาอย่าไปหาด้วยการทำบาป น, นะลูก มันมันเป็นสันดานมันติดมันติดนานกับใจของเราเพราะมันทาจนมันติดเป็นนิสัยเป็นสันดานไปถึงแก้ยากถ้าไม่มีเครื่องมือที่พระเจ้าได้สรงคนพวกนี้ไม่มีใครแก้ได้สู้มันไม่ไหวหรอกเหมือนกับการที่เราจะเปลี่ยนยางรถเวลายางรถยางรถแตกนี่ ถ้าไม่มีเครื่องมือนี่เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีมีมือเปล่ า, ลาสองมือนี่ไม่มีกำลังที่จะยกมันขึ้นมาได้ต้องมีแม่แรงต้องมีที่ขันน็อตคลายนอ็อตถึงจะสามารถเปลี่ยนยามได้การที่เราจะเปลี่ยนความโง่ให้ให้เป็นความฉลาดได้นี่ก็ต้องมีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญา มันก็จะเปลี่ยนความโง่คือโมหะความหลงให้กลายเป็นปัญญาขึ้นมาตอนนี้ความหลงความโง่นี่มันเป็นผู้มงการความคิดของเราเนอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถ้ามาอาวิชชาเป็นผู้มงการสังขารคือความคิดปูนแต่งพอมีสังขารมันก็จะทาให้เกิดมีวิญญาณการรับรู้รับรู้อะไรก็รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอรับรู้มันก็มีสัมผัสพอตาไปสัมผัสกับรูปก็เกิดสัมผัสเกิดอะไรขึ้นมาเวลาสัมผัสก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกพอลืมตาขึ้นมาพอเห็นรูปปั๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกทันทีเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดเวทนาแล้วก็เกิด ความอยากตามมาเห็นรูปที่ชอบก็อยากจะได้เห็นถ้วยกาแฟนี้เห็นกาแฟนี่อยากจะลืมแล้พอตื่นขึ้นมานี่ห้ามีกาแฟรออยู่ถ้าไปเห็นของที่ไม่ชอบก็อยากจะหนีจากมันไปพอตื่นขึ้นมาเจอหน้าแฟนแฟนเก่าแฟนที่มีแต่ปัญหากันพอเจอกันก็เออ อยากจะหนีเกิดตันหาความอยากตันหาความอยากก็เกิดอุปทานพออยากพอได้แล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่ได้มายึดติดแล้วพอมันไม่มีก็ต้องไปหาใหม่ก็เกิดพบขึ้นมาเกิดการหาใหม่ขึ้นมาการแสวงหาใหม่นี่แหละคือการทํางานของ ใจของเราที่ถูกความหลงมันผักดันไปความโง่อวิชชาผลักดันไปถ้าเป็นธรรมผลักดันไปธรรมก็บอกว่าทุกอย่างเป็นตายรักอย่าออกไปหาเลยอย่าออาไปหารูปเสียงกลิ่นรสเลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ข้างในนี้แหละหยุดปรุงแต่งหยุดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มันก็จะไม่ออกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็จะ ไม่ต้องไปเจอเว네ทนาไม่ต้องไปเจอความอยากไม่ต้องไปเจออะไรต่างๆไม่ต้องไปเกิดนี่พอมีปัญญาพอเห็นตายรักมันก็หยุดปรุงที่มันปรุงเพราะมันคิดว่าปรุงแล้วมีความสุขได้รูปเสียงกลิ่นรดแล้วมีความสุขพอมีปัญญามันก็บอกได้รูปเสียงกลิ่นรดแล้วมีความทุกข์ ไปปุงหามันทำไมไปคิดถึงมันทำไมไม่คิดแล้วถ้ารู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นยาพิษนี่มีใครอยากจะไปได้อยากจะได้กันแต่ไปคิดว่าเป็นกาแฟกันคิดว่าเป็นขนมกันทั้งอยากได้กันนี่แหละถ้ามีปัญญาก็เรียกว่ามีวิชาวิชาก็จะมาหยุดอาวิชา อไม่มีวิชาสังขารก็ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงไปหาลาบยศสารเสริมไม่ปรุงไปหารูปเสียงกลิ่นรสวันวั น, ว น, วนหนึ่งเนะี่ยคนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดถึงอะไรกันนะถูกไหมทุกคนก็คิดถึงเงินก่อนแล้ววันนี้จะไปหาเงินที่ไหนดีแล้วก็คิดว่าไปหาอะไรเสพดีวันนี้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่คิดอยู่กับเรื่องาราว่อนนี้ พอตื่นขึ้นมาก็คิดหาเรื่องราวเหล่านี้เทนะ่านั้นไม่เคยคิดว่าวันนี้อยู่เฉยเฉยไม่ไปหาอะไรได้ไหมถ้าคิดว่าวันนี้เช้าวันนี้จะไปใส่บาตร <c oughs> มันคิดกันสักกี่คนแล้ว <c oughs> คนพวกนี้ก็มีวิชาแล้ว <c oughs> เขาเริ่มเห็นแล้วว่า เ, า <c oughs> เริ่มมีปัญญาแล้วว่า <c oughs> อันนี้ต้องไปสายบาตวันนี้ต้องไปรักษาศีลวันนี้ต้องไปฟังเทศฟังธรรมนี่สแสดงว่าใกล้เข้ า, ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่หยุดเลยถ้าถ้ามีปัญญาแท้จริงนี่ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ตอนนี้ยังหยุดความอยากไม่ได้ก็เลยให้มันอยากไปในทางที่ดีให้มันอยากไปในทางที่จะหยุดความอยาก การอยากทําบุญการอยากรักษาศีลการอยากภาวนานี้จะทําทให้เราไปสู่ความที่ไม่มีความอยากต่อไปได้เะฉะั้นตอนนี้เรายังต้องอยากไปในทางที่ดีก่อนจนวกว่าเราจะหยุดความอยากได้หมดแล้วพอหยุดความอยากได้หมดแล้วมันก็มันก็เฉยเฉยแล้วมันไม่รู้จะไปไหนแล้วทําบุญเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรภาวานาเพื่ออะไรก็เ พ, เพื่อหยุดความอยาก เมื่ไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทำทำไมเหมือนกินยาเวลาไม่สบายก็กินยาคอยดูเวลาถึงเวลากินหรือยังพอหายจังก็ลงราไปกินยาทําไมกินก็ไม่มีผลตกต่างกันกินไม่กินเท่ากันไม่กินมันทําไม <S <S 1> <S 1> พอหลุดพ้นแล้วไปทําบุญทําทานรักษาศีลไปภาวนาทำไม มันก็ไม่ได้อะไรมากไปป่านั้นหลุดออกจากคุกแล้วเนะี่ยไม่ติดอยู่ในคุกแล้วจะไปปีนกําแพงทําไมจะปีนกาแพงกลับเข้าไปในคุกเมื่อปีนออกมาแล้วพอพ้นจากกําแพงแล้วก็ไม่ต้องปีนกําแพงแล้วใช่ไหมก่อนที่หลุพ้นแล้วเขาไม่มีความอยากจะทํำบุญอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากที่จะ จะ แ, แสดงทำใช่ไหมที่แสดงไม่ใช่เพราะความอยากแสดงด เ, เพราะมันความจำเป็นเพราะไม่แสดงก็ไม่มีใครแสดง อ, อย่างเราเนี่ยวันนี้ต้องมานั่งตรงนี้เพราะถ้าเราไม่มานั่งตรงนี้ก็ไม่มีใครมานั่งตรงนี้แทนเรา <c oughs> <c oughs> เราอยากจะนอนมากกว่านอนสบายกว่า แต่มันก็เห็นเห็นประโยชน์ของการแสดงที่ผู้ที่ไม่มีทมจะได้รับประโยชน์ก็เลยทำให้ยินดีที่จะเสียสละเพราะเราก็ได้รับประโยชน์จากการเสียสละของครูบาอาจารย์มาก่อนมันก็เลยทำให้เห็นคุณค่าของการเสียสละถึงแม้ว่าผู้เสียสละเองจะไม่ได้อะไรแต่ก็จะเห็นความสุขของผู้ เห็นผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้มันก็ทำให้มีความสุขเหมือนกันเหมือนกับเรา ม, มีมีเหลือกินเหลือใช้เห็นคนอื่นเขาขาดแคลนเราให้เขาเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วให้โอากาสเขาด้วยใช่ใช่แต่ให้อะไรก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้ให้อาหารให้ปัจจัยสี่ก็พอยโยยาร่างกายเขาไป แล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีนี่เป็นอาหารจิตแต่ธรรมะนี่มันเป็นอาหารใจทำให้ใจสุขทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีคุณค่าวกว่าการนับประมาณไม่ได้คุณค่าของธรรมะกับคุณค่าของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน อ, อ, อย่างตอนที่พระเจ้าไปโปรดพระราช บิดาตอนหลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วพระมเหสีก็ให้พระลาหุนตอนนั้นอายุหกหกขวบให้ไปข อ, อมรอดกจากพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้ามีมรดกมีทรัพย์สมบัติพระเจ้าก็เลยจับบวชนี่แหละมรดกของเราก็คือธรรม ะ, ะแล้วก็ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระมา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นมหาจักรพรรดิก็จะได้เป็นราชโอรสที่จะไปคลองราชต่อแต่ก็ต้องทุกข์กับการคลองราชทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่แหละมะระดกของพระพุทธเจ้าคือทำอันประเส ร, ริฐนี้ถ้าไม่ได้ให้อะไรใครรับสมบัติเก้าของเงินทองนี้ท่านไม่มีท่านสละไปหมดแล้ว สิ่งที่ท่านมีอย่างเดียวก็คือธรรมนี่คือเรื่องของธรรมเรื่องของสิ่งที่หายากในโลกนี้สิ่งที่หายากในโลกนี้มีอยู่สี่อย่างหนึ่งการเกิดของพระพุทธเจ้าเกิดพอมีพระพุทธเจ้าก็มีธรรม ธรนี้ก็เป็นของที่หายากเพราะจ้งเราให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ก่อนเราก็ไม่ใช่จะมาตัดสั้ทุกรทุกล้านปีหรือทุกพันล้านปีมันนานก่อนนั้นหลายหลายล้านเท่าถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่หายากสิ่งที่สองที่หายากก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์ การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเพราะว่ามนุษย์มีจํนานวนน้อยนะคนนึงออกลูกได้กี่คนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเปรียบกับเดรัฉานี่มันจนํานวนเดราาัฉาในโลกนี้กับจนนานวนมนุษย์นี่มันมันมากน้อยต่างกันขนาดไหนยนั้นช่องที่จะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีน้อยเหมือนถ้าเหมือนกับเอ็นท่านเนี่ยมหาวิทยาลัยดีๆนี่รับนักเรียนได้สักกี่คนเย แต่นักเรียนที่อยากจะเรียนนี่มันมีเยอะเมื่อเข้ามหาลัยไม่ดีได้มันก็เลยต้องไปเข้ามหาลัยที่ด้อยกว่าเึ่งมีมากมายแต่มหาลัยท็อป10นี่มีไม่มีแค่สิบใแต่มหาลัยอื่นนี่มีเป็นร้อยนั้นการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับการได้ไปฮาวาลไปอ็อกฟอร์ดไป m อไทเข้ายากมาก การมาเกิดเป็นมนุษย์กับการมาเกิดเป็นมดเนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันทนท่านทำไมถึงว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ชื่อแบบว่าอันนั้นก็ยังไม่พูดถึงเอาแค่อเอาแค่ทั่วไ ป, น, ป น, นี่แหละอ่ามนุษย์เนี่ยให้มันเป็นมนุษย์ให้ได้สามจุเนี่ยนะให้มัเพราะถ้าเป็นมนุษย์มันก็จะมีมีเครื่องม้เครื่องมือที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้ถ้ามาเกิดเป็นเนี่ยเป็นนกในป่านี่เห็นไหมมันมาฟังเทศได้ไหม มันก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันยิ้งจบตุกแกบางทีมันก็อยู่ที่ศาลานี้มันก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอถ้ามันฟังรู้เรื่องมันอาจจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็ได้เข้าให ม, ใมนี่คือของยากคือการมาเกิดญญเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมีคือพ้นบาปพ้นอะไรมาแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีช่องให้เกิดจะทำยังไงมันก็ต้องรอไปก่อนใช่ไ้มถ้าอยากจะเข้าฮาวาดเนี่ยก็ต้องไปรอก่อนถึงแม้ว่าจะสอบได้อยู่ในเกณอยของล้วแต่คนที่สอบได้ในเกณฑ์มันมีเป็นร้อยอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอคิวกันนะแล้วก็ต้องมีอะไรพามาเลยฮะว่าจะไปเลือกเกิดที่ไหน ก็บุญบาบนี่แหละามาแต่นอกจากบุญบาปแล้วมันก็ต้องมารอคิวมันไม่มีมันไม่มีที่เกิดจะทำไงคนยิ่งสมัยนี้คุมกำหน่อยกันใช่ไหมแต่ก็ดีอย่างเดียวนี้เขามีพวกที่ทำกิฟทํทำกิฟตทีก็ออกเป็นแฝดเลยแฟดสามแฝดสี่ก็มี แต่ก็น้อยเมื่อพูดถึงจํานวนถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นจิ้งจร ก, ก่อนก็ยังดีอรอจังหวะไปก่อนคืจะไม่มีไม่มีไม่ติดโรคที่ไปมีมีเท่าไหร่มันก็จํานวนของสัตว์มันก็มากกว่ามนุษย์อยู่ดีไปรอมันถึงยากไงการได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า มนุษย์ตั้งครรเนี่ยน้อยกว่ า, าสัตว์ตั้งครรภแล้วเวล า, าสัตว์ตั้งครรภนี่มันตั้งได้ทีละหลายหลายตัวหมานี่มันออกมาทั้งค อ, อกเนี่ยปลานี่มันออกมาทั้งข้าวไหลไขท่ทีนี่มันเป็นร้อยแต่มนุษย์นี่ก้าเดือนปีหนึ่งจะได้ลูกสักคนหนึ่งมันถึงยากนี่เพื่อนเพืนแต่พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยาก ยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นสัตว์เนราชานี่มันเกิดง่ายกว่ามันมีเยอะกว่าแล้วมันออกลูกทีมันออกเป็นขยงเั้นการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราถูกถูกแจ็คแจ็คพอตแล้วไม่กับบอลหรือแมกกาอะไรไม่กับมิเีเนนละเนี่ย มันไม่ใช่แจ็คพอตอันเดียวสองอันแล้วเนี่ยได้มันเจอพระพุทธศาสนาอีกสองแจ็คพอตแล้วเนี่ยซื้อสองบริษัทเลย power ball กับ mega ball ได้สองแล้วเนี่ยแล้วยังมีอีกสองอันที่สามก็คือการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าชีวิตนี้แม่แน่นอนบางทีเกิดมาไม่กี่วันก็ตายเลยก็มี ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ได้เกิดมาไม่กี่วันก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บตายไป อ, ยอ่าปริมาณของคนที่มาเกิดแล้วได้อยู่อายุถึงร้อปีนี้มันมีกี่เปอร์เซนต์กั น, ก, นกับปริมาณของคนที่ต้องตายกลางทางก็เนี่ยถึงว่าการดํำรงชีวิตก็เป็นของยากต้องดิ้นรนใช่ไหมต้องคอยหาอาหารหาปัจจัยสี่แล้วก็ต้องคอย ต่อสู้กับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆภัยจากมนุษย์ด้วยกันร้อยแปดพันประการทำให้การดำรงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายใครที่มีมีมีมีโชคดีได้อยู่อย่างปลอดภัยนี่ก็ถือว่า เป็นคนที่มีบุญมีโชคมากคนที่อยู่ได้ถึงร้อยปีนี่หายากอันนี้ที่ประการที่สามของที่หายากประการสุดท้ายก็คือการมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่ก็หายากอย่างวันนี้คนไปตลาดหุ้นกันไปศูนย์การค้ากันไป ที่ทำงานกันอยู่ตามร้านขายขายข้าวขายของอะไรกันนี้เป็นล้านมีมาอยู่วัดได้สักไม่ถึงส0บคนเนี่ยฟังเทศฟังธรรมกันหรือติดตามทางบ้านอีกสัก3า0สี่ร้อคนตรงนั้นก็ต้องมีภารกิจการงานต้องทำออมีครอบครัวมีภาระอะไรต่างๆร0อดพันประการการที่จะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนี้ก็ แ้าจะไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่หายากสี่ประการพวกเรานี่ได้หมดเลยได้ถูกสี่แจ็คพอตเลยได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอธรรมะที่หายากได้เจอได้มาเป็นมนุษย์ถ้ามาเป็นมาเจอพระพุทธศาสนาแบบสุนัขนี้มันก็มหาวัฏฏ์นี้มันก็ไม่ได้รับประโยชน์ ถ้าเจอพระพุทธศาสนาต้องเจอในในคราบของมนุษย์จะได้ฟังเทศฟังธรรมได้แล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่ก็เนี้ตยตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องมาสร้างสติกันแล้ละ ตอนนี้ก็บ้ากันเนี่ยบ้ากาแฟบ้าขนมบ้าอะไรอยู่อถ้าถ้าไม่บ้าก็มาบวชแล้วเ <c oughs> ข้าใจหม <c oughs> ยังไม่บวชไม่ได้เขาพ่อยังบ้ารูปเสียงกลิ่นรดอยู่เ <c oughs> ข้าใจั้มสติยังน้อยสติหยุดความบ้าไม่ได้ของญาติเ <c oughs> ย็นที่สุดตอนนี้เราได้มาแล้วก็ขอให้เรา ใช้ให้มันได้ประโยชน์อย่างสูงสุดอันนี้สิ่งที่รอเราอยู่ก็คือการปฏิบัติเวลาก็มีแล้วเนี่ยกเกษียณแล้วไม่ต้องทามาหากินเล่นลงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะเตื่นขึ้นมาก็ภาวนาเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิทำไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เหนแทนก็อสุภะอสุภะไปอสุภะอสุพังไปต่อไปจะได้เลิกกันได้ <c oughs> ตอนนี้ยังเห็นเป็นสุภะอยูย่ยังเลิกกันไม่ได้เ <c oughs> นี่ยยังบ้าของพวกนี้อยู่เรายังบวชไม่ได้ <c oughs> ถ้าบวชนี่ไปเร็วเลย เาการบวนนี่เหมือนขึ้นทาง ด, วด่วนนะไม่มีสี่แยกไฟแดงทุก อ, อย่างวันเวไปอย่างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมาติดมาขัดนะแป๊บเดียวก็ถึงพขึ้นทาง ด, วด่วนนี่ระยะทางที่ใช้เวลาชั่วโมง ท, ที่อยู่ข้างล่างนี่พอขึ้นทางด่วนนี่ห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วพอข้างล่างมันติดเนี่ย ติดไฟแดงติดรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดรถเสียติดรถอุบัติเหตุอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้มันวิ่งไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนกับขึ้นทาง ด, วด่วนในการมาบวชก็คือว่าเรียกว่าการขึ้นทาง ด, วด่วนสู่พระนิพพานง่ายๆทางจ้อ ง, องเลยไม่มีทางเลี้ยวไม่มีทางแยกไม่ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่หลงทางด้วยตรงไปอย่างเดียว นี่คือเรื่องของออสิ่งที่หายากคือธรรมะพ ร, ระพุทธเจ้าพวกเราได้ครบแล้วคือถ้าเราได้สามสิ่งแต่ไม่ได้ธรรมะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเใช่เช่นได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนยาวนานเป็นร้อยปีมีเวลาศึกษาปฏิบัติธรมแต่ไม่มีธรรมะให้ปฏิบัติไม่ ม, รรมีไม่มีใครสัง่งไม่มีใครสอน ชีวิตก็ไร้สาระจะทำก็ล่องเวียนายวใจเกิดต่อไปไร้ ส, ส, าสาระ <c ari> <ๆ>เกิดมาจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศ า, าสนาซึ่งไม่แน่ว่าการเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ของเราแต่ละครั้งจะมาจะเอกับพระพุทธศาสนาหรือไม่บางทีมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาพอมี <icism> พระพุทธศาสนาแล้วอาจจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่พอมาเกิดอีกทีอนี่ศาสนาพูดหายไปแล้วเนี่ย ศาสนาพุทธ น, นี่เหลือแค่ 2,500 ปีไม่ถึงแล้ว 2,400 กว่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเราตายไปไปเกิดเป็นเทวดาอยู่เป็นเทวดาสักหมื่นปีพอกลับมาเกิดใหม่าหายไปแล้ ว, ลวไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาแล้ ว, ลวาาก็ไม่มีใครอยู่แล้วตายหมดล ตอนนี้อยู่รีบทำซะตึ่นทําด่วนอันนี้มีปัญหาเมอะไรมาถามได้อ้าวมีคำถามไหมหรือว่าจ ะ, ะคือว่าอย่างธรรมะที่ยมฟังอยู่นะซึ่งก็ไปแล้วก็อ่านเยอะนะอ่านเทศนาของท่านเป็นตัวอักษรแล้วก็อ่านหนังสือ เยอะมากเลยที er ort, ่เข pues. <nope. S 3> ้าใจมั <remembered> ่งไม่เข้าใจมั่งทีนี้เวลาเวลาโยมอายุมากๆแล้วมันก็อาจจะสมองเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมไปเสื่อมไปแต่ว่าจิตใจโยมเนี่ยจะจําจะจำที่ที่โยมอ่านแล้วฟังอะไรได้ไะยังยังมีติดอยู่ในจิตมันต้องมีมั่งก็มีบ้างแต่อะไรที่ได้มาจากการจดจํานี่มันลืมได้ แต่อะรที่ได้มาจากการปฏิบัตินี่ไม่ลืม <c oughs> ที่มันัตบซึมเข้าไปจริงๆได้เช่นอริยาศาสตร์นี้ถ้าเราเห็นด้วยใจด้วยการปฏิบัตินี่มันจะไม่ลืม <c oughs> แต่ถ้าเรื่องการจําชื่อธรรมะต่างๆนี่ลืมได้มันถ้าเราเพียงแต่จําเพียงแต่เรายังไม่เจอตัวมันนี่เราจะลืมแต่ถ้าเราเจอตัวมันแล้วเราจะไม่ลืม ก็เน้นในการปฏิบัติที่ที่โยมโยมเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะเข้าใจด้ตนเองว่าเออจริงนะมีแต่ิน อ, อะไรเงี้ยมันก็นซึมซั์แม้กระทั่งวันสุดท้ายที่โยมจะไปไคือว่าก็คงจําอะไรไม่ได้ตีว่าโยมอยู่ถึงเก้าสิบอะไรเงี้ยนะคะมันก็ต้องอยู่บ้างใช่ไหมคะ พุดโธพูดโธอยู่ตลอดเนี่ยเกิดทำที่เราปฏิบัติมันเราจะไม่ลืมแต่ทำที่เราจดจํามานี้เราลืมได้จำจำเขาพูดเช่นส่วนมนต์อังสัมมาปานีาจจะลืมไปก็ได้เอาไปจะจําไม่ได้ก็ได้แต่มันไม่น่ามันอาจจะไม่ลืมนะเพราะเราการส่วนนี้ก็เป็นการปฏิบัติถ้าเราสวดไปทุกวันทุกวันมันก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเราท่องอะไรชื่ออะไรไว้ แล้วเราไม่ได้ไปคิดถึงวันสักพักหนึ่งเดี๋ยวลืมได้เช่นสูตรคูนี้ต่อไปอาจจะลืมได้พอแก่แล้วก็สองค2นสอเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ที่ที่ที่ที่ยมจำจได้นะคะคือคุณแม่เนี่ยอายุสักแกก็9ก้าสินะตอนนั้นเ็แกเสียที่สิกห้คือคือว่าแกก็เป็นความจำเสื่อมแบบเสื่อมคนแก่ธรรมดาเนี่นะฮะ แต่ว่าถามว่ายังจำยังจำสวดมนต์อะไรได้มั้งแม่แกพูดว่าไงนะพุทธโธธัมโมสังโฆแล้วเราก็ต่ออีกพุทธโธธัมโมสังโฆก็เดาได้ว่าเป็นคำํำคำ ท, ที่ท่านจําได้ตอนท่านปฏิบัติธรรมมันจะไม่ลือไม่ลืมนะถ้าเราถ้าเราปฏิบตัติมันก็ยังจะค้างอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราเลิกปฏิบตัติเลิก เขาไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมได้ที่เราจําได้เพราะเราคอยจํามันอยู่เรื่อยๆอลงหายใจที่อาจารย์ตื่นขึ้นมาก็<จ>พุทธโ ท, ท, โทอย่างนี้จะไม่ลืมแต่อย่างอื่นลืมบางทีวันนี้เมื่อวานนี้ไปทําอะไรมามั่งเนี่ยลืมไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงมนานี่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งที่สาระที่จะจําเป็นที่จะต้องจำํำก็ปล่อย ให้งทีจำก็คือให้จำอริยสัจสี่จำอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆมันถึงจะไม่ดึ้อต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ดึงอทุกวันทุกทีที่สมาธิเราก็ใช่พิจารณาร่างกายเรื่อยๆว่ามันไม่เทียมมันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้มันมันจะไม่ดึงถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเผืกออย่างนี้นะคะ คิว่าเราก็คิดว่าจะต้องมาเกิดอีกเนี่ยถ้ามต้องมาเกิดอีกอี ก, อกอนี่นะมันจะต่อไปถึงชาติหน้าไะว่าความจําอันเนี้ยมันก็จะจําได้ถ้าเราถ้าเรายังไม่ลืมถ้าเรมก็จําไม่ไดม้มันอยู่ในในจิตเนี่ยและว่าอตัวเนี้ยแล้วเราก็ไม่ตกไปอยู่ในในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี อ, อะไรเราจะไม่พบศาสนาพุทธอะไรที่มันเกิดจากการกระทานี่มันจะไม่ลืมเช่นเราเคยใช้มือขวาเนี่ยมันจะไม่ลืมว่าพอมาเกิดกี่ชาติมันก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆตอแต่มันลืม<ำ>มันลืมชื่อของชาติก่อนว่าเราชื่ออะไรเกิด<ม>ที่ไหนเป็นอะไรเราลืมหมดแล้วมันการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญมากที่จะต่อต่อ ความเข้าใจในพุทธศาสนาและยึดกับพระพุทธศาสนาศาสนาของเราต่อไปก็ต้องมีคนปฏิบัติถึงจะสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้เพราะจใช้ความจำนี้มันเดี๋ยวมันจำผิดจำถูกได้แต่ถ้ า, าไว้แต่ถ้าความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันมันรู้ว่ามันมันมันรู้ว่าไม่ผิด าคาถามจากทาง facebook Live นะครับจากคุณขวัญ น, นะครับบุญจะช่วยให้เราหายจากทุกใจได้จริงใช่ไหมคะหากกาลังสร้างใจทุกใจแต่ถ้ามีบุญจะช่วยให้ดีขึ้นได้หายเพราะบุญช่วยใช่ไหมเจ้าคะมันก็มีบุญที่ถ้าเป็นบุญที่ทำมาในอดีตนี่มันคงจะช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้มันก็คงังไม่ทุกข์ ถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่าเราต้องสร้างบุญใหม่ขึ้นมาบุญที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวนก็คือบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีความเห็นที่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราพอเราหยุดความอยากปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปเช่นอยากจะให้คนนั้นคนนี้ทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ พอเขาไม่ทำเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แล้วเราทุกข์ก็เพราะความอยากของเรานี่เองเราก็หยุดความอยากเาขาจะทำอะไรก็ําไปพอเราหยุดความอยากได้เราก็หายทุกข์อันนี้เรียกว่าบุญที่เราต้องทำกันขึ้นมาใหม่บุญเก่าที่เราทำไว้แล้วนี่มันช่วยไม่ได้บุญเก่ามันก็เพียงแต่ทาให้เรา มีความสุขในตอนที่เราได้ทำมันหรือบุบญบางอย่างเรานึกถึงมันก็ทําให้เราสบายใจได้เช่นเราเคยช่ว ย, ห เ, ยเหลือใครอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีความทุกข์ใจเราไปคิดถึงบุญความดีที่เราเคยทําไว้มันก็อาจจะทําให้ความทุกข์ใจเราหายไปได้หรืออาจจะไม่หายก็ได้แล้วแต่ว่าความทุกข์ใจของเรานี่มันมีความหนักมากน้อยเพียงไร ความอยากของเรามีความมีงแรงมากน้อยเพียงไรดังนั้นบางทีก็ดับได้บุญเก่าแต่ถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าต้องสร้างบุญใหม่ถ้าสร้างปัญญาไม่ได้ก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน้าสร้างสมาธิก็ต้องมีสติก่อนเวลาเกิดความทุกข์ใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็บริกามพุทโธไปเลยอย่าไปให้มันคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจ หนงมันออกจากเหตุการณ์ น, นั้นอย่าปล่อยให้มันไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาพูดโธพุดโธไปเดี๋ยวมันก็จะลืมแล้วความอยากมันก็จะหายไปแต่ไม่ไม่ไม่หมดเพียงแต่ว่ามันมันไม่สามารถทํางานได้เพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาพอความอยากไม่ทํางานความทุกข์ก็หายไป แต่ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ไปคิดถึงเรื่องนั้นใหม่ก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้มันบรรเทาถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องไปแก้ที่ความอยากว่าอยากไปทําไมอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากอยากไปแล้วทุกข์ไปเปล่าๆพอเห็นความจริงอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่ายอมเขาจะทําไงก็ปล่อยเขาทําไปพอเรายอมแล้วใจเราก็หยุด หยุดความอยากพอหยุดความอยากยมันก็เย็นมันก็สบายความทุกข์ใจก็หายไปเขาเรียกว่าใช้สูตรสามยอยอมหยุดเย็นอก็ออยอมแพ้ก็อยากจะชนะเขาแล้วชนะเขาไม่ได้อ้าวยอมแพ้ก็แล้วกันเมื่อยอมแพ้เราก็จะไม่มีความอยากที่จะเอาชนะเขาเมื่อเราไม่มีความอยากจะเอาชนะเขาเราก็เยน็นสบาย เขาชนะก็ชนะไปกับท า, บบานั้นเองเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปแต่เราไม่ทุกใจนะใจเราเย็นสบายกว่าดีกว่าชนะเขาแล้วเครียดรอดชนะเขาแล้วก็ทําทให้เขาโกรธเกลียดเราเองบางครั้งไม่เขาทำในสิ่งที่เราอยากจะให้ก็ทําบางทีเขายอมแพ้เราเพราะว่าอเรามันมีมีมาต ร, รการที่จะลงโทษเขาได้เนี่ย เขาเลยต้องยอมแพ้เราทําตามที่เราสั่งแต่ในใจเขาเขาเกลียดเราใช่หมแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ไปทาให้เขาไม่สบายใจเราเองก็ไม่สบายใจถึงแม้ว่าเราจะชนะแต่เราก็รู้ว่าเราไปสร้างศัตรูขึ้นมาแล้วนชนะผู้อื่นสู้ชนะตนเองไม่ได้นชนะตนเองในการยอมแพ้ผู้อื่นเข้เาใจไหม คำถามต่อไปคำถามจากคุณอาลีนะครับข้อที่หนึ่การเจริญภาวนาในรูปแบบหมายถึงการนั่งสมาธิหรือเปล่าครับก็จะเรียกว่ารูปแบบก็ได้การนั่งสมาธิก็เป็นรูปแบบแบบหนึ่งการเดินจงกรมก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งการการภาวนาในขณะที่เราทำอะไรทุกอย่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นการภาวนา เราทําอาหารทํากับข้าวทําอะไรเราก็มีสติอยู่ของงานที่เราทําอยู่นี่มันก็เรียกว่าเป็นการภาวนาแลเป็นการเจริญสติไปแล้ตราบใดที่เรามีสติควบคุมใจเราไม่ให้ลอยไปลอยมานี่เรียกว่าเป็นการภาวนาแล้วหรือตราบใดที่เรามองเห็นอะไรเป็นตายรักไปหมดนี่ก็เป็นการภาวนาเป็นวิปัสสนาไม่ต้องมานั่งหลับตาไม่ต้องมาเดินจงกรม เดนไปศูนย์การค้าเห็นข้าวของอะไรต่างเห็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาหมดมันก็ไม่อยากจะซื้อละเห็นขนมนมเนยเห็นอะไรต่างๆที่เขาขายตามร้านเห็นแล้วก็อ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเลยเห็นว่าเป็นอาหารปฏิปติกูลัสัญญาไปให้หมดเเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปที่ส้วมทั้งหมดเนี่ยของที่มันขายอยู่ในร้านอาหารเนี่ยมันจะไปไหนกันมันก็เดินทางไปที่ส้วมนั่นแหละ อาศัยคยงออย่างพวกเราไปคนเสียเงินไปพรามเอามันไปเอามาเอามันไปส่งที่ส้วมใช่ไหมคนจลาศก็ไม่เสียเงินเสียทางไปพายของพวกนี้ไปที่ส้วมหรอข้อที่สองการาจเจริญภ า, า, าวนาในใจตลอดทั้งวันตามโอกาสที่นึกได้คุณประโยชน์ข้อไหนมากกว่าเพราะเหตุใดกับข้อแรกไหมถึงนั่งสมาธิครับอาจารย์ อมันต่างกันถ้านั่งสมาธินี้มันได้ความสงบมากกว่ามันได้เต็มร้อยแต่การปฏิบัติในรูปแบบอือ น, นี้มันได้สติแล้วก็ได้ความว่างแต่ไม่สงบเต็มร้อยก็เบาทำให้ความวุ่นวายความคลุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆมันจางหายไปแต่ไม่ถึงกับรวมทำให้ถึงให้กับได้อุบเบกขาได้ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง คือความสงบมันไม่ได้มันจะได้นอกได้เพียงในขณะที่เรานั่งในท่าสมาธินี้เท่านั้นคําถามจะคุณแนทนะครับความรู้สึกผูกพันในคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่มันใช่ความยึดติดยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ถ้าใช่มันก็คือเหตุแห่งทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราต้องวางใจอย่างไรกับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่อยู่รอบๆตัวเรา เพื่อไม่ให้รู้สึกผูกพันจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องคิดว่าเขาต้องจากเราเขาไม่เทียงเนี่ยเป็นของไม่เทียงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ยึดติดไม่ผูกพันแล้วเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาจากเราไปปัญหาคือเราไม่ค่อยคิดกันพอเราไม่คิดเราก็เลยยึดติดกันโดยไม่รู้สึกตัวถ้าอยากจะรู้ว่ายึดติดหรือไม่ก็ลองแยกกันอยู่สักพักดูเลย ยากกับสิ่งที่เราอยู่ใกล้ชิดด้วยเช่นไปอยู่ว่าสักเจวันดูเนละดูว่าจะอยู่ได้ไหนะถ้ายากแล้วอยู่ได้อย่างสบายก็ถือว่าไม่ยึดไม่ติดแต่ถ้ายากแล้วคิดถึงเขาคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้แสดงว่ายังยากไม่ได้คาถามชักบุญสมพรนะครับอยากทราบว่าผู้รักษาศีลแต่สามารถตัดต้นไม้ได้ไหมคะได้ไม่ได้ห้ามเลย ไม่มีข้อห้ามตัดต้นไม้เจงแต่โบราณนี่คนเขาเชื่อว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าไปตัดต้นไม้ก็ถือว่าเป็นการทาลายชีวิตเป็นการปรนานาติบาตแต่สมัยนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้นไม้นี่มันไม่มีมันมีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณมันไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนกับร่างกายนี้ใครไปทิ่มไปแทงมันนี่มันมีวิญญาณรับความ มีมีวิญญาณที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณตะวันยิ้ม น, นะครับค่อนข้างยาวนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครอบครัวผมได้สูญเสียคนที่รักไปถึงสามคนพ่อน้องสาวลุงเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ณนะเวลานั้นทำให้ครอบครัวผมเหมือนขาดเสาหลักแต่ยังโชคดีที่ได้ธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้าช่วยทาให้จิตใจคนในครอบครัวมีสิ่งยึดเหนียว หนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ผมพบกับจะทำชีวิตต่อให้เรารักมากแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากวันนี้ก็วันหน้าจะช้าจะเร็วก็ต้องจากฟังธรรมะพระอาจารย์ประจำตอนนี้ก็ปรงแล้วโหวสิกรรมให้กับคนที่ทำอยากเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าข้อที่หนึ่งคนที่เสียชีวิตพร้อมกันเขาจะเจอกันไหมครับมันไม่แน่หรอกเพราะว่า ต่างคนต่างก็มีบุญมีบาปที่จะเป็นตัวที่จะส่งให้ไปตามสถานที่ต่างๆแล้โอกาสที่จะเจอกันนี้มันก็ยากเหมือนกับเราไปจอดไปติดรถที่สีแยกไฟแดงแล้วเรามีรถข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังเราอยู่เนี่ยพอไฟเขียวแล้วเนี่ยคิดว่าจะไปเจอกันข้างหน้าอีกัหยไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาขับนี่เขาจะไปไหนกัน คนคนหนึ่งจะไปซ้ายเี้ยวซ้ายคนหนึ่งจะเลี้ยวขวาคนหนึ่งอาจจะตามกันมาแต่ตามไม่ทนันมันก็อาจจะเจอกันก็ได้อาจจะไม่เจอกันก็ได้ในเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นประเด็นสำคัญจะเจอกันไม่เจอกันมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราสุขหรือเราทุกข์เท่านั้นแหละการเจอกันหรือไม่เจอกั น, มนไม่ได้ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์เราการสิ่งที่ทำให้เราสุขเราทุกข์ก็คือความอยากของเราเท่านั้นเอง เรามาแก้ปัญหาตรงที่ความอยากดีกว่าอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการที่จะไปวางแผนว่าตายแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหนดีเสียเวลามันมันไม่ได้หรอกมันมีตัวแปรเยอะ <c oughs> มันมีตัวที่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้การไปไหนมาไหนของแต่ละคนนี่มันมากมายไม่มีใครสามารถที่จะมาคุมมันได้หมด คำถามท่านเดิมนะครับเป็นค่อนข้างหลายคําถามจะรวมๆนะครับเพราะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้ทํากรรมอะไรมาครับและคนที่เสียชีวิตแบบนี้มีโอกาสในการไม่มีโอกาสในการตั้งสติภาวนาเลยแบบนี้ดวงจิตจะไปเกิดเป็นอะไรในภพหน้าครับและลูกหลานทําบุญทําทานไปให้ไม่ทราบว่าเขาจะได้รับผลหรือเปล่าการที่มาเจอสิ่งที่เจอกันในชาตินี้ก็เพราะในชาติก่อนเราเคยไปทําเข้ามาก่อน เรื่องของกรรมกรรมกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปฆ่าเขาก็ต้องกรรมมาถูกให้เขาฆ่าส่วนการที่จะไปไหนมาไหนก็อยู่ที่บุญบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในชาตินี้บวกกับบุญบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนที่ยังไม่ได้ส่งผลมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงจิตใจให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปอาบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วที่ลูกหลานทําบุญทำทานไปให้จะได้รับไหมครับคือยึกอยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่ถ้าเขาเป็นเปรตเป็นขอทานเขามารอรับเขาก็ได้รับถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องรับบุญเพราะบุญที่ส่งไปนี่น้อยกว่าบุญที่เขามีอยู่ถ้าไปติดคุกติดตารางเี่ไม่ตกนรกก็ออกมารับไม่ได้ ถาไปเกิดเป็นมนุษย์ก็หาหาใหม่เองได้ไ้เป็นเรนชานก็หากินเองได้ดงั้นผู้ที่จะรอรับบุญก็มีเปรตเพียงพวกเดียวเท่านั้นคําถามจากท่านท่านเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับครอบครัวผมไม่เคยเบียดเบียนใครทําร้ายใครแต่ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันนี้ครอบครัวผมก็หมั่นทําบุญทาทานนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่ทราบว่าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมครับ มันอยู่ที่บาปกรรมที่เราทําในอดีตเนี่ยมันหนักมันก็หนักล ผ, ลผลที่เกิดขึ้นกับเราในชาตินี้ส่วนใหญ่มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทามาในอดีตถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะเป็นคนดีรักษาศีล ป, ปฏิบัติธรรมแต่ก็เจอข้อกรรมต่างๆมันก็เป็นเรื่องของบาปกรรมที่เราทําในชาติก่อนดังนั้นกรรมที่เราทําไว้นี่เราไปลบล้างไม่ได้ไปทําให้มันเบาบางไม่ได้ แต่บุญที่เราทำนี่มันจะทำให้เรามีเหมือนกับมีเบาะคอยรับเวลาที่เราตกลงมาจากที่สูง<ม>เวลาเราตกลงมาจากที่สูงถ้าเรามีเบาะมันก็จะไม่เจ็บมากถ้าไม่มีบเบาะรองรับมีแต่พื้นแข็งๆมันก็กระแทกเต็มที่งั้นเวลาเราทำบุญนี่เหมือนกับเราสร้างเบาะคุ้มครองใจของเราเวลาที่เราไปเจอข้อกรรมต่างๆมันจะทาให้ใจเราไม่ทุกข์มากหรืออาจจะไม่ทุกข์เลย อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็เจอข้อกรรมจากพระเทวทัตเนี่ยพยายามบวงพระชนถึงสามครั้งแต่พระทัยของพระองค์นี้ไม่เดือดร้อนเลยไม่เจ็บเลยก็เพราะว่าพระองค์มีบุญมากได้สร้างบุญในชาตินี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้อกรรมต่างๆที่เคยกระทํามาในอดีตนี้จะไม่มีผลต่อจิตใจของพระองค์คําถามจะคุณเต้แล้วนะครับมีเพื่อนฝากถามว่าจะมีอุบายอย่างไร ที่จะทำให้ไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่มีคนทำผิดเล็กๆน้อยๆเช่นพิมพ์ผิดจากต้นฉบับเสียงบ่นจากคนใกล้ตัวให้รู้สึกลำคาญใจเป็นเพราะว่าสติ<ะ>ไม่ทันใช่หรือไม่ใใจเรามันไม่ค่อยมีสติใจมันชอบไปเกาะติดอยู่กับรูปเสียงต่างๆพอไปเจอรูปเสียงที่ไม่ชอบมันก็เลยทำให้หงุดหงิดขึ้นมาฉั้นต้องฝึกสติเวลาเกิหดหงุดหงิดก็ให้พุโทโธพุโทโธไป ให้ใจอยู่ข้างในอย่าให้มันออกไปรับรู้ข้างนอกแล้วการหงุดหงิดมันก็จะเบาบางลงหรือถ้าดีก็ปรองด้วยปัญญาว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราสัมผัสรับรูน้นี่มันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมองให้มันเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ ฝนมันจะตกแดดจะออกนี่เราไม่ค่อยเป็นหงุดหงิดกับมันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้ฉันใดรูปหรือเสียงต่างๆที่เราสัมผัสรับรูก้ก็เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเนอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาพิมพ์ถูกทุกตัวไม่พิมพ์ผิดเลยอย่าไปอยากให้เขาไม่ส่งเสียงดังมันพออยากแล้วมันก็จะเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาเวลาที่เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยากที่ว่าเอะ ฝนจะตกก็ตกเมือนกัฝนตกป้อนมันตกไปคนจะส่งเสียงดังก็ปล่อนมันส่งเสียงดังไปฝนตกเสียงดังก่อนนี้มันเรายังรับได้ทําไมเสียงดังค่งนี้เราทําไมรับไม่ได้แต่คิดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มันก็หายหมุดหงิดอันนี้ปัญญาต้องไปคิดเอาเองคิดแบบเรานี่เราพูดอย่างนี้ถึงเวลามันก็ยังหงุดหงิดอยู่ถ้าเราเราเราต้องใช้ปัญญาของเราคิดใหม่ คำถามจะคุณมดงานนะครับสมาธิขั้นคณิกะพอเพียงจะออกมาเจริญปัญญาไหมคะอย่างหลอกเพราะมันแป๊บเดียวเหมันนกกระจอกกินน้ำอย่างมันเป็นเพียงแต่เหมือนกับได้เห็นหนังตัวอย่างมันมีประโยชน์ตรงที่ทําให้เราจะมีฉันทะวิริยะในการที่จะปฏิบัติที่จะนั่งสมาธิให้มากขึ้นเพื่อจะได้อัปปนาสมาธิอย่างขั้นต้นนี้ยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญามาก พยายามเจริญสติให้มากๆเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิออกมาก็เจริญสติไปอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วพยายามทำให้มันเข้าไปในสมาธิแล้วให้มันแช่อยู่ได้นานอย่างนีเรียกว่าเป็นอัปปนาพอมันแช่ได้นานๆแล้วมันจะมีอุเบกขามีความสุขใจอิ่มใจที่จะทำให้เหล่านี้ออกมาพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาความตายได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณา อุจร ะ, ะได้เมันก็จะทำให้เราตัดตันหาความอยากต่างๆได้คาถามจากคุณยาดานะครับขอธรรมะเยียวยาเพื่อนที่ทุกข์ใจมากที่เป็นสาเหตุทำให้สุนัขที่เขารักและผูกพันเสียชีวิตเพราะเขาไม่เห็นอ น, นิจจังเขาหนึ่งแปลว่าสุนัขนี้ก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายเป็นธรรมดาใจก็ยังไม่อยากให้ สุนัขนี่ตายจากเขาไปเขาก็เลยทุกข์เะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าทาไงก็เขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาตายไปแล้วอย่าไปอยากให้เขากลับมาอย่าไปอยากให้เขาไม่ตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์คิดแต่ว่าคนที่ตายตัวที่ตายจริงๆก็ไม่ใช่ตัวสุนัขเพียงแต่ร่างกายของสุนัขมันตายไปแต่จิตที่อาศัยสุนัขอยู่นี้ก็ไปต่อแล้ว อาจจะได้ไปเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเป็ น, ป น, ปนสิ่งที่ดีคือก็เรียก blessing and disguise mm hmm. ภาษาอังกฤษเป็นเหมือนก็ว่าเป็นความทุกข์ที่ทําให้ได้สิ่งที่ดีกว่าคือสูญเสียร่างกายของสัตว์ไปแล้วจะได้ร่างกายมนุษย์ขึ้นมาใหม่เพราะอาจจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ได้อันนี้ถ้ามองงนี้ก็เราก็จะ ดีใจว่าเขาไปดีแล้วแต่เขาคงยังทุกข์มากเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุครับอาจารย์ก็คิดว่าถ้าเราไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราเป็นมีเจตนาทํเพราะความโกรธเราก็ต้องอขอขมากราหมาเถอะ ไ, ได้ใช่ไหมครับได้ ข, ขมาก็ไม่เป็นไราไจะไทให้สบายใจขึ้น คิดว่าเขาเป็นดวงจิตเหมือนกันจะ ก, ก็คงไม่ได้ไม่คิดว่าขอขระมาหมาอะไรก็เขาเป็นดวงจิตเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์คำถามจ้าคุณพัชรานะครับหลวงตาท่านสอนว่าสติปัฏฐานสี่กับอริยสัจสี่เป็นธรรมะอันหนึ่งอันเดียวกันต่างกันเพียงนามเท่านั้นฟังหลายรอบก็ยังด้อยปัญญาไม่ค่อยเข้าใจขอพระอาจารย์ไม่ตัดพิบ่าวเจ้าค่ะสติปัฏฐานสี่ก็เกี่ยวกับมัรคในองค์ของอริยสัจสี่ อริยสัจส ม, มีทุกขสมุทัยนี่รุ่นมักมักนี่ก็มีสติสติปฐานก็การเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาด้วยเนี่ยเจริญสมาธิด้วยมันก็เป็นองค์มักการการปฏิบัติสติปฐานสี่ก็คือการเจริญองค์มักที่มีอยู่ในอริยสัจสมันก็เลยอยู่ในวงการนันเดียวกันพูดง่ายๆ เกี่ยวข้องกันมันพันกันไปเหมือนกับร่างกายเราเนี้ยมีอวัยวะต่างๆที่ทำงานที่ต้องประสานกันต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของกันและกันแต่เพื่อประโยชน์คือให้ร่างกายนี้คงอยู่ได้การมีเห็นอริยสัจสี่การเจริญสติปัฏฐาน4ีนีก็เพื่อเป็นการที่จะทำให้ดับความทุกข์ต่าง ให้หมดไปจากใจเพราะการเจริญสติปัฏฐานสีก็เรียกว่าเป็นการเจริญมากมากก็คือเครื่องมือที่จะไปละตันหาความอยากต่างๆพอะละตันหาได้นิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปดันั้นนี่คือเกี่ยวรองกันสติปัฏฐานสีอริยสัจสีตายลักนี้ อาสุภะนี่เหมือนกันมันก็เกี่ยวดองกันเหมันเกี่ยวข้องกันคําถามจ้าคุณเกียรติศักนะครับจิตที่ติดความสุขสงบจนไม่อยากทําอะไรจะแก้ยังไงดีครับเป็นสิปีก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ตั้งให้เจริญปัญญาให้พิจารณาร่างกายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกาย จะเป็นร่างกายของเราก่อนก็ได้แล้วก็ร่างกายของคนอื่นคือต้องพิจารณาทั้งหมดเนี่ยทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นเพื่อเราจะได้ไม่ลำเอียงถ้าเราพิจารณาความตายของเราเพียงคนเดียวเราอาจจะคิดว่าเราตายคนเดียวก็ได้แต่เราคิดความตายของคนอื่นเราก็อาจจะลืมว่าเราอาจจะต้องตายเหมือนกันก็เลยต้องพิจารณาให้มันทั่วถึงให้รู้ว่าร่างกายของทุกคนเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเพื่อที่จะทำให้เราเกิดปัญญาแล้วเราจะได้ปล่อยวางความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วเวลาที่เราไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามเจ้าคุณมงคลนะครับพระสาวกนิพพานแล้วเหตุใดในประวัติหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวท่านพระสาวกจึงมาเทศได้ครับ แล้วก็จิต ท, ท่านไม่ตายไปกับร่างกาย <c oughs> จิต ท, ท่านก็ยังมีอยู่ท่านจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วแต่ท่านท่านอาจจะมาเพราะว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันมาในอดีตเห็นว่ากำลังปฏิบัติอยู่ก็มาช่วยสอนทานหน่อยอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันอาจจะเป็นคู่รักกันมาในอดีตก็ได้นี่พอดีจิตมันมันเชื่อมต่อกันได้ เหมือนกับเรามีเมือเบอร์เก่าของแฟนเนี้ยวันดีคืนดีเอาไปกดเจอเข้าคำถามข้อต่อไปจะคุณจุบทานะครับการยอมแพ้ตามที่ท่านสอนแล้วเราไม่กลับยุ่งด้วยอีกจะแปลว่าเราหนีปัญหาหรือไม่ก็จะไปหนีอะไรก็ปัญหามัน ปัญหาเราก็แก้แล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราไม่ไปยุ่งด้วยปัญหาอยู่ที่ใจเราใจเราที่อยากจะไปยุ่งกับเขาพอไปยุ่งกับเขาแล้วใจเราก็ทุกใช่ไหมถ้าพอเราไม่ไปยุ่งกับเขาใจเราก็หายทุกมันไม่ได้หนีปัญหามันแก้ปัญหาแล้วการกลับไปยุ่งกับเขานั่นแหละทำให้แสดงว่ายังแก้ไม่ยังแก้ไม่จบหรือถ้าจะกลับไปยุ่งก็ต้องยุ่งแบบไม่ทุก ยังเรียกว่าถึงว่าแก้ได้แล้วคําถามจ้าคุณโทมี่นะครับการเจริญมรณานุสติต้องทําอย่างไรคะเอานึกความตายนึกถึงความตายอยู่เรื่อยนึกถึงว่าเราต้องตายเราต้องตายคนนั้นต้องตายคนนี้ต้องตายไปดูศพด้วยจะได้รู้ว่าคนตายเป็นยังไงพอเห็นศพแล้วก็บอกเนี่ยต่อไปทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ ตอนที่เราเป็นเด็กๆพอเราเห็นศพั้างแรกงนี่เราคิดอย่างนี้เลยไม่มีใครสอนเลยมันมันคิดของมันไปเองเลยโอ้ต่อไปปูย่ย่าตายายเขาก็ต้องตายพ่อแม่ก็ต้องตายเราก็ต้องตายยากพี่น้องก็ต้องตายเพื่อนก็ต้องตายมันคิดไปหมดเล ย, ยเรียกว่ามอนานนสติคุณมงคลถามอีกว่าหากจิตไม่ตายจิตนั้นเพียงเป็นอัตตาใช่ไหมครับ ย่าไปสนใจว่ามันเป็นอัตตาไม่เป็นอัาตามันไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่ตายบรรทุกต้องการให้มันหายทุกข์ก็ไปตัดตันหาความอยากให้หมดไปจากใจประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มีคําถามมันจะต้องเป็นหนาตานะไม่เป็นหนาตาคุณปอนะครับมีความสงสัยว่าเจ้าการรมนายเวรมีจริงหรือเปล่าก็เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมา แล้วก็ไปทําให้เขามาเป็นเจ้ากรรมนาเวนกับเราใช่ไหมเราไปด่าเขานี่เราก็ไปสร้างเจ้ากรรมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาด่าเราใช่ไหมถ้าเราไม่ไปด่าเขามันก็จะไม่มีเขามาด่าเราเราไม่ไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ตามฆ่าเราเอ็นคนที่สร้างเจ้ากรรมในเวนก็คือเราพอสร้างแล้วคนที่เข้าถูกเราทําเขาก็ต้องกลับมาทําร้ายเรา หมดก็ดีไม่เป็นไ ร, รก็วันนี้พอเท่านี้ก็ได้ครับอเดี๋ยวก่นอนก็ยังยังมีเรื่องอื่นเนาะยังมีคนมาใหม่อยู่นี่ใครต้องการอะไรก็เข้ามาได้น ะ, ะมีเทวร่าอะไรอยากจะถวายข้าวของอะไรก็เข้ามาได้ยังไม่ได้ให้พรอนะไรนี่ยวันน <c oughs> ี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปคําถามก็หมดนะเ <c oughs> พราะมันถามมันมาหมดและถามมาเยอะหมดไส้หมดพุงละ คำถามเจ้าคุณพรพินิษฐ์นะครับการเจริญกรรมาฐานถึงแห่งความหลุดพ้นรู้สึกจิตลอยอยู่ที่สูงสูงแต่ตัวเรานั่งอยู่ที่เดิมควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะ อ, อ, อย่าไปสนใจกับความรู้สึกอะไรมันเป็นเรื่องของสังขารความคิดตึงแต่งนะการหลุดพ้นจริงๆมันไม่รู้สึกอย่างนั้นอ่นะมันรู้สึกว่าไม่มีความทุกข์อยู่ในใจไม่มีความอยากอยู่ในใจอั น, นั้นคือความหลุดพ้นที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นภาพหรือความรู้สึกอะไร มันไม่หิวมันไม่อยากมันไม่ต้องการอะไรมันพอคำว่าพอเนี่ยคือการหลุดพ้นถ้ายังไม่พอก็ยังไม่หลุดเป็นธาตุหรือว่าคมรู้็ึกครับอันวิทยุหรืออะไรครับไม่เอ็นดูเหรอไม่ก็อิ่มแล้วนะคนอิ่มแล้วก็ไม่กินใช่ไหมคนไม่คนอิ่มไม่ทุกข์ใช่ไหมคนที่หิวทุกข์ ได้มาพูดอะไรเลยมันอิ่มแล้วอา่าใช่นั่นแหละคือความรู้สึกที่แท้จริงหลุดพ้นต้องรู้สึกแบบนั้นนะไม่ใช่รู้สึกว่าลอยอยู่บนท้องฟ้า <c oughs> อยู่ในวงไหน อ, อ่าคำถามต่อไปครับอีกข้อนะครับจากคุณโทมี่นะครับคุณยายอายุเก้าสิเอ็ดปีเพิ่งเสียชีวิตโรคชราและเผาเมื่อวานจิตวิญ ญ, ญาท่านมหาลูกหลานได้ใช่ไหมครับพอทุกบ้านเกิดเหตุการณ์คล้ายคึงกันเช่นมีทั้งกลิ่นดอกไม้หอมในห้องนอนแรงๆ<ม>ชัดๆหลายครั้งนอนดึก ตอนเช้าตีห้าหนูทําบุญอุทิศให้ท่านทุกวันถวายแด่พระอริยสงฆ์หลายองค์แล้วจิตท่านยังไม่ไปสู่สุคติเหรอคะหนูควรทําบุญอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็ปล่อยท่านไปท่านยังคิดถึงเรายังห่วงเราอยู่ั้งท่านก็เลยยังอยากจะเวียนสักสามรอบก่อนเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักระยะหนึงท่านก็ไปท่านรู้ว่าติดต่อกันไม่ได้แล้วหนูท่านก็ไปหมดแล้วครับพระอาจารย์อก็ดีก็ดีก็สมควรแก่เวลา ก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตริจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ